เราก็มาฝึกตนสอนตนมีสติไปในกายมีสติไปใน ใ, นใจเพราะกายเพราะใจเป็นฐานเป็นตุน้นเป็นก้อนที่แปลสภาพเป็นอื่นไปโกลนเพื่อนไปกับสิ่งต่างๆเป็นพิษเป็นภัยก็มีเป็นประโยชน์ก็มีในโลกนี้ เราจึงต้องฝึกตนสอนตนเดือปีบุญมันมีบาปมันมีกรรมคนเหล่านี้ไม่เหมือนสัตว์ในกระฉันมีสวรรค์มีนรกมีเปรตมีสุรกายมีทุกข์มีสุขเราจึงรู้จักสอนตอนเดงให้ได้ชีวิตถูกต้องโดยเฉพาะวิธีฝึกกรรมฐานนี่มันรวบยอด นันสรุปโยกปวดพิชาเตียงมีสติไปนในกายอันก็ทำดีหลายอย่างแล้วแล้วความเชื่อทำความดีมีศีลเกิดขึ้นเราจารึงมาปรกกาดเอาใา้ฉั น, นี้จำนานอะไรก็ตามเป็นไปเพื่อการฝึกตนการใช้ชีวิตประจำวัน ยิ่งเรามีหน้าที่โดยตรงเวลานี้การนี้ยิ่งมีชีวิตที่ส่วนตัวไม่ถูกแบง่งมาอยู่นสถานที่ร่วมกันในความคิดอันเดียวกันเวลานี้ก็ต่างคนต่างขงยันเหมือนเพียน อาใช้จิงวเวรล้องช่วยบ้างอาใช้การเพริกตนออกไปบ้างถือโอกาสสอนตนทุกเวลาไม่ใช่หาโอกาสโอกาสที่มีสตินั่นมีมีได้ทุกโอกาสในตัวเรานี่ก็มีอุปกรณ์ที่นำมาให้มีสติได้ในบทต่าง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 โมดีอินเสียงเกิดความหลงจะหมดได้กินได้ลดการสัมผัสกิจใจคิดนึกเป็นหอกเกิดแต่ความหลงได้ถ้าเราเพกก็ออกมาเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกได้ถ้าเราไม่เพื่ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราเพื่อก็ได้ประโยชน์ความหลงก็ได้ประโยชน์ให้เกิดความรู้ได้ความทุกข์ก็ได้ประโยชน์ให้เกิดความรู้ได้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้น มันมีกายมันมีเวทนามีธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ต่อเป็นอันอื่นได้กายก็เป็นได้หลายอย่างถ้าเราไม่พักมันือเหลือตานะทำชั่วได้เวทนาเวทนาก็เป็นที่ไปต่ออันอื่นเป็นสุขเป็นทุกข์ เมื่อมีสุขมีทุกข์เกิด ว, วิชาอวิชาปัญหาประธานพบชาติยึดมั่นเถือมั่นในเวทนาเวทนาในเวทนาเวทนาล้นลวนไม่เป็นไรป็นมันร้อ น, นเวทนาล้นลวนถ้าเป็นผู้ล้อนเวทนาในเวทนาในความร้นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาในเวทนาแล้วก็ยึดมั่นเถือมั่นเป็นขัน ที่โมระทานเกิดทุกข์เกิดโทษได้ได้เป็นขันธ์ล้วนๆมันก็มีประโยชน์มันเป็นสัญญาณภัยเวทนานี่ก็ไปไกลไปพ้นไปขี้ไปข่มขืนไปรักไปขมโมยได้ไปบังคับกับสายทำชั่วได้กิบหายไปวได้เพราะเวทนาทำให้เป็นธาตุเวทนาได้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 มันเกิดไปแล้วก็ไปติดคนอื่นได้เป็นคนชุบุรีคนหนึ่งเราประโยชน์ใกล้วกกความุรีเราก็สามารถเป็นพิษกับเขาได้สัญญาคือมันก็ติดสัญญาคือมันติดมันจุ่มเอาเหมือนผ้าสีขาวไปเอาสีแดงม็เป็นสีแดงได้ผ้าสีขาวไปเอาสีดำมาเป็นสีดาได้ จิตของเราแต่ก่อนมันบริสุทธิ์เหมือนผ้าสีขาวเมื่อบางใกล้เชิงใดก็ไปตีเสิงนั้นได้หรือจิตที่ผนเพื่อนเปรอะเพื่อนได้เ ก, กิดความโลภความหลงในจิตเ ก, กิดความเลอะกังจในจิตที่เดจ้าหาในจิตได้เรียว่าสัญญาสังขารก็คือขยันขยันคิดเรื่องนั้นขยันปนขยันรับใช้สังขารตัว น, นี้เป็นความขยันเป็นอาชีพไปเลยของสังขาร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 ทำลงไปแล้วก็ยังไม่เฉียรไม่หลาบเพราะสังขารมันมีอาชีพอย่างนั้นวิญญาณก็ติดเอาเมื่อไปจุ่มเหมือนสัญญาคือจุม่มวิญญาณก็ติดเมื่อมันติดก็เป็นเลยไปวะนะิญญาณเนี่ยก็เป็นเ ป, นเ ป, นเ ป, นปรตโลภไม่รู้จักอิม่มอยากในความคิดบางทีร่างกายมันไม่อยากมันหิว กิเลสมันอยากไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อนี่อวิญญาณมันติดมันมีอย่างนั้นมันมีรูปมีนามมีกายมีใจเราจึงมีวิธีปฏิบัติมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสติมีสัญญะถอนของพอใจแล้วความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาในเวทนาจิตในจิตในจิตนี้มันก็มีจิตอีกโซนจิต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 อะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นเวทนาสัญญาสังขารมิยานเกิดขึ้นรู้ตรงเนี้ยเรือว่าฝึกโ่รู้มันไม่เป็นมั้ก็ชำดางเรื่องนี้มันเข้าออกมันง่ายที่จะฝึกเหมันบ้านใกล้ทางทูกออกได้สะดวกก็มันอยู่ไกลหน่อยก็ลำบากเข้าถึงวารู้ดียากตองหลงขวงกันเอาไว้ะ มีสติมีจัญญะเนี่ยเพื่อจังกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือมีอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเฮ้ยไม่เกิดขึ้นอีกมันทําได้อย่างเนี้ยการฝึอกอย่างนี้มันทําได้ฝึกได้ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นจัต์ประเสริฐมนุษย์เนี่ยเป็นจัดประเสรเิฐฝึกได้สอนได้อย่างเนี้หนุ่ก็มีหลักสูตรจุงนี้มีไหมสติ มีหมความหลงความหลงกับความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วหรือว่กอากุศลอกุศลกุศลคือความรู้สึกตัวอกุศลคือความหลงบาปคือความไม่รู้บุญคือความรู้เพราะไม่รู้มันมืดเหมือนกลางคืนมันมืดบุญมันรู้มันสว่างเห็นรูกเห็นนามเห็นความรู้เห็นความหลง เปลนความหลงเป็นความรู้เหมือ น, นกับเราเปิดสวิตไฟตู้แจ้งแล้วเนี่ยมีบุญมีบาปมันมีศาสนาศาสนาคือตัวเรานี่ไม่แต่เป็นคําสอนศาสนสาเครือคสอนก็สอนเรานี่ไม่มีไว้ในตาราเอามาสอนเราศาสนาคือกายก็วาจาคือใจมีจริงอาศัย ร่างกายมีศาสลาเวลามันหิวมันก็กินข้าวเวลามันร้อนก็อาบน้ํามันอาศัยเวลามันหนาวมก็ห่มผ้ามันปวดหนักปวดเบาอาศัยมันก็หลุดออกค้นออกตันนั้นเป็นธรรมชาติแล้ศาสนาที่พานที่จิตใจเนี่ยอันหิวน่ะมันยังเป็นสุขมันเป็นเป็นทุกข์อิ่มมันเป็นสุข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 ว่าทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์พราสมเปนเครื่องกำจัดทุกข์ศาสนาเนี่มันเป็นเครื่องกมจัดทุกข์เวลามันทุกข์มันไม่ทุกข์เวลามันโกรธเวลาโกรธสิงนี้นที่เป็นทุกข์วนหน้าที่ของพุทธศาสนาถ้ายังทุกข์อยู่โกรธอยู่แม้เราจะว่าพุทธทางสนงันนา迦มิตมังสนงันนิ迦มิสั ง, งสั์สันาิ迦มิก็ไม่มีประโยชน์ เราหมดทุกข์รู้สึกตัวเปลี่ยนหมดทุกข์เป็นความรู้สึกตัวเนี่รู้ว่ามีพุทธศาสนาแล้วศาสนาคือคนเป็นคนดีแล้วไม่บียดเบียนตนเองแล้วไม่บีดเบียนคนอื่นแล้วอันนี้คือพุทธศาสนาถ้ายังเบียดเบียนตนเองอยู่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่มีพุทธศาสนาเลยศาสนาคืออยู่เอาไว้ที่ไหนเอาศาสนาไว้ที่วัด เราอยู่บ้านสร้างวัดใหญ่โตหลวงอรลามเลี่ยมล ะ, ะยุบละยยับแต่คนยังไม่ดีเลยศาถาเจริญนอย่างยังไม่เจริญศาสนาคือพระสงฆ์ชำเนรหลวงอรลามแต่มัดแตวาพระสงฆ์ไม่ชี้พิจุนีตัวโศกปจิกานุ่งพวนุ่งขาวเพียบเจริญนีอย่างยั ง, ยง ศาสาคือพิธีกรรมต่างๆส่วดมนต์ล า, า, ายพระเจงเป็นพระสวดเป็นพระเสกเจงมีพิดารณเก่งไปบินถ้าบัดเมืองสวรรค์เจงแต่เผ่าพริเจ้าได้คนอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นตัวแทนตายเก่งคือทําวิธีกรรมเจงปุกเสกดินเสก โลหายเป็นผ้าได้โลยเก่งจักสิทธิ์ปืนยังไม่ออกมีฟันไม่เข้าเก่งอ่า น, นั่นาศาสนากะเคลื่อนแข็นข้อย ห, ห้อคอก็ตุดมนยันปกเสกสืนจะบ้างกระตุดพระหลงพลังที่ขาดตาขาววัวแล้วก็ แวลาแล้วก็ฆ่ากันที่กันนอนกายตายเครื่องล้างกองธรรมะต่างหากเป็นพุทธศาสนาตัวจริงมีธรรมจะมีใครมาฆ่าเป็นคนดีถ้าขาดศีลการธรรมก็ตายเหมือนกันถูกฆ่าตายยิงไม่เข้าออดีไหมมีดปั้นไม่เข้าออดีไหมคนก็แสวงหาอย่างนั้นมันดีกว่านั้นก็มีพุทธศาสนา ทำตัวเองจนให้เขาไม่ยิงทำตัวเองจนเขาไม่ได้ฆ่าเขาลักเขาเมตตาเขาคนเป็นคนดีอันนี้ดีที่สุดสาศาสนาอยู่ที่ไหนล่ะาศาสนาอยู่ที่คนคนเป็นคนดีนี่เห็นอยาน่างนี้แต่ก่อนเราก็มีอาถาเยอะแยะเลยเป็นหมอศัยศาสตร์มาไปปฏิธรรมกุหลงโพเทียนกลับไปบ้าน เพื่อนเพื่อนครูอาจารย์นักศิษย์ศาสตร์ด้วยกันเห็นเราไปชวนเราไปปกูกเศกว่าปีนี้จะออกพระเครื่องรุ่นนั่นรุ่นนี้นี้มวลมากกุกให้จุกเกตวันด้วยจะออกพระเครื่องในพรรษาเราก็พูดออกไปหลุดออกไปเลยโอ้ เรานึกว่าคนในโลกนี่โง่เหมือนเราหรือเรานึ้ว่าคนในโลกนี่โง่เหมือนเราหรือคนฉลาดก็มีนะไม่ต้องไปพุกเสกเราก็ไม่พอใจแต่ <c oughs> ก่อนเราก็เอาใยวันนี้เราไม่ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเรามาเอาธรรมะไม่เอาพระห้อยคอสดถาจเจริญคือคนเป็นคนดีเนี่ย ตรงนี้น่าจรงไม่ใช่ปลุกเสกไม่ใช่อะไรต่างๆแล้วเราปฏิบัติทำไปม่นก็ยกหมูอไห้ตัวเองได้จย่างน้อยเอาชนะความหลงเอาชนะความโกรธได้บ้างความโลภโกรธหลงลดน้อยลงบ้างบาบางลงมันพระสกีทาคามีทําลายตัวนี้ลงได้ถ้าไม่ทําลายตัวนี้ลงน่ะมันจะเป็นพุทธศาสนาไม่ได้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 เอกใจทำไม่ทำไมจึงทำอย่างนั้นทำไมจึงพูดอย่างนี้ทำไมจึงทำกับเราอย่างนั้นอันนั้นมันไม่ง่ายมันยากไปแล้วถ้าเกียนนิสัยตัวนี้ได้เนาะมันง่ายง่ายที่รู้่ที่จะไม่เบียดเบีย น, นตนเองเนี่ยเรามาศึกษาตัวนี้สอนตนไม่ประโยชน์ยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้ายกมือไห้ตัวเองได้ ก็ถือว่าใช่ได้สมัยปีห้าร้อยสิบสี่ลองตาไปสวนโมกอาจาย์พุทธทาสไปกราบท่านมาจากเลยมาจากไหนภาษาคนใต้มาจากชัยภูมิอือพระชัยภูมิมาทำลายแผลงงานผมเสียหังอะไรทำอะไรเนาะเราไมเราก็ไม่สะดุ้งอะไร แล้ก็เป็นคนใช้ภูมิกันพระใช้ภูมมาทำแผนผมพังเลยพูดแล้วหัวเอื้อคื อ, ค อ, ค อ, คอแรกวัดโมกเนี่ยไม่รับพระไม่มีปอเรียนนะรับตั้งแต่ปอเรียนสามขึ้นไปถ้าไม่มีปอเรียนที่นี่ไม่รับพระใช้ภูมมาทำลายแผนนี่สสนเสร็จแล้วมาดื้อมาขออยู่ มาแล้วเขาจะเข้าเหมือนสาแล้วจะเก็บไปก็ไม่ไหวแล้วเงินก็หมดแล้วขออยู่มันจะอยู่ไงกะทิเต็มหมดเต็มผมก็จะอยู่ตามคามานไม่ทนอะไรไปดอกปักปกดปกป้องอยู่ไม่ได้ที่นี่มันฝนซุกงูพิษก็อยู่เศร้หเหมันฝนก็ต้อไหนเก็ไปไม่ได้แล้วต้องขออยู่นี่ก่อนดอกไม่เชื้อาที่ไหนพอจะได้จะอยู่ไป แต่ก่อนพระอยู่นั่นมีแต่พระบ่อเรียนไม่ร้องตาใช้พวงเนี่ยไม่เป็นบ่อเรียนกว่าเขามันไม่ได้ที่นี่มีระเบียบมันรับแต่พระหมอไปรเรียนท่านได้บอเรียนไหมไม่ได้ไเลยเลยก็เลยจําเป็นให้อยู่พออยู่ไปอยู่มาเอา้ามันดีกว่าพระบอเรียนอีกอาจารย์พ่อทาฉีกระเบียบนี้ทิ้งเลยไม่รับเอาเอาทุกลูกแต่ก่อนรับเฉพาะหมหาบอเรียนนะตอก็หัวเลาะ แล้วก็ถามต่อว่าสวดปฏิโมกจบไหมไม่จบท่องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ไไไหมดสวดน้ำมาจากได้ไหมได้สุบุลีไหมไม่สูบอืมถ้าท่องปฏิโมกได้สามารถจบมือไหว้ตัวเองไหอสูบุลีไม่สูบุรี่ก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ สวดทำมาจากได้ก็ยกมาไหว้ตัวเองได้มีความขยันพอสมควรนะเอาให้อีกนะเอาให้สวดไปมั่วก็ได้จะมีเหลี่ยมไหว้ตัวเองนะเอ้าทำไมไม่ถามอะ่ะมีสติไหมทำไมว่างยืนว่าจะต่อยอดกันสักหน่อยมีสติไหมทําลายความร่ำโกรธหล่นได้บ้างไหมน่าจะถามแบบนั้นบ้างเนหะมือนกับงุ้งไปตรงนี้จริงๆรอะ เหมือนจะปอกก่าพ้วยปฏิบัติธรรมนะี่ยเห็นรูปเห็นนามเนะี่ยรูปต้นกุ้ยจเจ้าหยวกมันจะเอาเขียนมันมาแยงเลียงต้องปอกก่าปอกซะก่อนจึงจะเอาหยวกมันได้อาสาหรือว่าเขีนมันตอบเห็นรูปทำเห็นนามทำเห็นรูปทุกนามทุกรูปโอ้ยปอกโอ้ปอกโอ้ปอกโอ้ปอกโอก้ อ๋อทำรยอยอนุใสได้บ้างสังโยชน์ได้บ้างสัคยทิฐิวิกิจิชาสีรปพตาปลามาตได้บ้างไม่มีตนในกายสัคยทิทิไม่มีตนในกิตไม่มีตนในเวทนาไม่มีตนในสัญญาไม่มีตนในสังขารไม่มีตนในวิญญาณเลย เห็นแต่สักแต่ว่าสักแต่ว่าทําไมจะทาลายไม่ได้สกยาทิฏเตียแต่ก่อนมีตนเต็มไม่หมดเลยร้อนคือกูหนาคือกูสุขทุกข์คือกูอผิดกูถูกกูได้กูเสียกูแพ้กูชนะพวอมาทําลายตัว น, นี้เห็นลูกเป็นนาำหนูไม่มีตนในกาสกยสกยาทิฏเตียวิจิจิเชะไม่สงสัยแน่ว่สุดเลยมาทำแต่นี้มันเป็นนี้ขึ้นมา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 ไม่ไม่ต้องพูดตรงนี้มันทัวร์สวรรค์นทนโลกได้เนี่ยไม่ยืดมัน่นถือมันเอาหนึ่งไปสอนทมที่หาดใหญ่มันเป็นพวกอิสลามเถวนั่นแล้วก็อิชาเราหรือเปล่ากวาไม่รู้มาแล้วก็นั่งอยู่ก็ยืนอยู่คนเจีงหรือถ้าเจีงจริ ง, รงพาเราไปทัวร์สวรรค์นิพพานได้ไหม เขาว่าอย่างนี้นะขอจมอเอาจริงไหมอะหละก็กล้าเหมือนกันนะเดมือขอมือขอจับมือคุณจเจ้าจริงไหมจื๋เอเนี่เอาจริงไหมถ้าเอาจริงก็มาสิเขาก็ยอมหงอยๆไปไปติดอะไรสีลพตาปลาหมากทำลายตรงได้บ้างตอเกเปลือกบ้างตอเกเปลือกได้บ้าง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 บาปคือใจร้ายโอ้ บ, บาปมันคือความหลงเนี่ยเพราะหลงมันจึงโกรธเพราะหลงมันจึงทุกข์เพราะหลงมันจึงเศร้าหมองเพราใจดีมันไม่เป็นไรไม่ใช่ดีใจนะดีใจยังใช่ไม่ได้นะบางทีถ้ดาเขาก็ดีใจนะอันใจดีมันด่าไม่เป็นมันเบียดเปลียนใครไม่เป็นอันดีใจนี่ได้เปรียบเขาก็ดีใจอุ้ยดา่ามันกูก็ดีใจแล้วละ บางทีกูได้ฆ่ามันกูก็ยอมเนาะไปสอนเนรพาคใต้ภาคดูโดนนะเดี๋ยวสงขาโลภทะเลสาบสงขาเนรทะเลกันแล้วมึห้ามาาขอโทษขอภัยกันแล้วต่างคนต่างอภัยกันแล้วไม่เอาเอาเจะาไงอีเขาก็ขออภัยแล้วเขา ย, ขอยอมแล้ว ให้ผมต่อยมันสักหน่อยผมคิดีใจให้ผมตีมันสักหน่อยจึงจะดีใจให้ตีกันก็ดีใจเลยอว่าไม่ใช่เนียเลยมันเจ็บไปตีกันทํามาอันเป็นบา่าปอาภัยกันซะผู้จนลงตานันให้ตีมันสักหน่อยจะดีใจดอกบางทีอันดีใจนี่มันได้ตีกันกัน ตีมันจะหน่อยผมก็ดีใจดอกไม่เท่าไปตีกันใจดีตีกันไว้ลองนี่อย่างนี้นี่บุญนี่บาปเห็นแน่นอนเห็นบุญเห็นบาปแน่นอนเลยเห็นศาสนาเห็นพุทธศาสนาเห็นศีลมีเรีวจึงรู้ โอ้ยเราอยู่กับสินมาตั้งหลายวันโอ้ฉินคือปกตินี่เองมีสติก็สมบรวมต่อหูจมูกลิ้นกายใจปฏิโมกไม่ฟุ้งพว้ไม่พุ่งซ่านโอ้เป็นศีลเนี่ยฉินหนึ่งสมาธินนาธคือมันมั่นคงชัดเจนแม่นยำชีวิตงดงามสมาธิไม่หวั่นไหวอะไรงี้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 เพปัญญามันรู้จบทผิดถูกมันไม่เอาจริงผิดนะั้นทือปวดทุกข์เนี่ยปวดบ้างสักดอยไหมนะี่น่าโกรธนะคนนี้นะโอ้ยข่มขืนตัวเองแม้แต่คิดไปมันก็ไม่ไปมันไม่ยอมไปมันไม่เอาที่ว่าของทุกเออโอ้ยเรามีศิญจน์เราจึงรู้สิญสมาธิปัญญาคือภาวะนี้เอง บุญคือภาวะนี้ศาสนาคือภาวะอย่างนี้พุทธเจา้าช่าคือลูกคือตื่นไม่หลับไม่ไหลเพราะอา น, นิสงส์ของการฝึกตนมันมีกระแสไปเนี่ยนะโอ้หลวงพ่อเทียนฉลาดแท้มาสอนให้ก่อนลู่ลูปลูลล่น้ำเนี่ยให้ลู่จากตัวเองเนี่ยเรจะคิดว่าเอ้าครูคนสุดท้ายของเราหลวงพ่อเทียนน่ ตั้งใจปฏิบัติว่านี่คือไม่ต้องไปเชื่อหลวงพ่อเชื่อเราเองเราทําไปา ม, ามันเกิดจากนี้ขึ้นมามันเกิดจากนี้ขึ้นมาไม่ใช่ไปคิดเห็นมันพกเห็นเข้าไม่ใช่คิดเอามันพกเห็นมันต่อหน้าต่อตาแบบนี้เรามาหลงลู่ได้ไหม นักตรงนี้ก็มันไม่มีอะไรก็รู่เรื่อยไปความรู้ไม่ได้หนักหนาอะไรไม่ได้แบกได้หาบอะไร ย, ยิงรู้เท่าไรยิ่งเบางอนอยู่ก็รู้ได้ทำไรก็รู้ได้ยิ่งเรามีคนแก่มีอายุเนี่ยสนุกปฏิบัติอะไรอ้างได้ไม่มีใครคิดจะใช่คนแก่ ยังไม่ออกต่อเก่ิไม่ออกไม่ไงไปตำเจ้าไนไปฮันรักไะไม่มีใครกล้าใช่เราดอกมีแต่เขาห้อยอย่าไปถือคนเจ่เลยเป็นผู้มีอายุแล้วก็ไม่ถือเราคนรบคนเจ่ ยิ่งป่วยมันต้องตาเขาก็ยิ่งไม่รอใช่หรือเพล่าะนั้นเนี่ยเรามีสิทธิรอยเปอ์เซ็นต์ใบที่สุดเลยแก่มาเนี่ยมือแดงเจ๋วเลยม่อกำลังมากมือจับจอจับเสียมข้าวมันแตกเป็นเกศเป็นกามวาว่าเจตโอลมพระเจตเราไปแบกไปหาบท้นไม้ถ้าหาบทอนกลางวันตัวพระเน้นจะเห็น บางคืนไปผูกลุยน้ำข้างน้ำฝนน้ำข้างพาดงพงไปไปแต่เป็นเจ็บเป็นกา่าวแล้วนี่เยี่ยงคนร้อนเล ย, เ, ยเกี่ยมันก็ดีนะสนุกเกียสนุกเจ็บมันก็ไม่มีดอกุกอะมาเถอะพวกเราคนไทยประเทศไทย มีวัดวาารามีพระสงฆ์มีวาสุกมีวาจิกามีพุทธศาสนาประจำชาติมีคำสั่งคำสอนเชิญชวนมาแล้วมาเถอะออกบูชัวนัสปาสุกโตปฏิบัติธรรมเช็มตีสิบวัน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 ปิงชียะนะนุษย์หกคนไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าอาจารย์ให้ไปถามปัญหาพระทเจ้ามอบมาไปสิบหกคนตัองกำถามให้คนละปัญหาแข่งกันในทัทิสมัยก่อนกูต้องหกมีมานุกคนหนึ่งไปฟังพระเจ้าตอบ ป, ปัญหา มานบแต่คนถามไปพระเจ้าก็ถามต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปมีมานุคนหนึ่งอาจจะเป็นปิงเคียมมานบเลยอะไรก็มาลขอพระคิดถึงลุงตัวเองซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนอยู่ที่นอนเป็นลุงโอยอยากให้ลุงมาฟังทำบ้าเวลาพระเจ้าเทศก่อนไหนเรื่องใดคิดถึงแต่ลุง ส่วนมโนบที่ห้าคนนั่น่ะตั้งใจฟังตามพํำสอนไปเลยเกิดบรรลุธรรมทั้งหมดสิบห้าคนเหลือมอน์คนเดียวนี่ห่วงแต่โลงตัวเองเหมือนโยมอ่ะห่วงแต่หลานห่วงแต่ครอบครัวห่วงแต่วาดวัลามโดยไม่บรรลุธรรมกับเขาอันห่วงก็ดียดอกแต่มันเป็นปริโภธน์นะดูดีๆ มันไม่ห่วงเฉพาะวันนี้มันห่วงไปจนตายจนตายไปก็ยังตายอยู่ในห่วงเป็นงูเหลืองเพ้าสมบัติไป <laughs> ตายเป็นอึองเห็นไ้ยอึองห่วงไรห่วงนาฟังนี่ทำเลยพี่น้องสองคนได้รับมดรดกพ่อแม่งนายพ่อแบ่งนายแบ่งนายก็เอาคนที่ออกจากนี่ไปนี่ จอมปวกเนี่ยห่างจอมปวกนี่ไปวาหนึ่งนั้นให้น้องวันนั้นให้แบ่งกันเลยก็พ้นตกมาไปไปห่วงนาของตัวคิดแต่เรื่องนาแต่งไงจึงจะได้อีกซักหว่าจะสอบพ่อบอกให้เอจาจับจอมปวกไปวานึ่งถ้าจะกลัวชักหน่อยก็ดีนะคิดก็ไปพันกระดาษไม่ห่วงอ่ะห่วงแต่ลาแต่ไล่แต่สวน ปั้นตัวน้องชายก็ อ, อ้อพี่พ่อบอกให้ห่างจากนี่มานี่วาหนึ่งนะมันขัวนะมันว่ากลัวนะว่าเดียวไม่ใช่มันกลัวนะมันโลภพ่อน้องชายก็บอกมันว่าเดียววาหนึ่งอย่ะงนี้วาหนึ่ง ว, ว่าลั่วเถียงกันไปเสื่งมาฆ่ากันตายอันห่วงไปเป็นอื่นอย่าง ก็ว่ า, าได้ยินไหมเรฝนตกไปเถียงกันน่ยว่าเหรอว่ากลัวเได้ยินไหมวันมกมันเฉ่นไม่อื่นอย่างนะเอามาป่อยก็ไม่ลองให้ฟังสักตัวเลยงูจินหมดที่แนวซื้อมาจากทับใหญ่เอามาตั้งกระงก็สอบปุ๋ยดังซื้ออื่นมามาโคตะให้เอาใสา่มาใส่ให้ เอาปล่อย ใ, ให้ให้มันว่อนชายอยู่นะถึงหน้าฝนตรงเนี้ยที่ใกล้ๆกับตีจัน์นะแต่ก่อนมีหนองน้าอยู่นั่นเอาใส่ใจอย่างดีเอาปล่อยอย่างนี้ถึงก็สอบใายก็สอบปุ๋ยนั่นนะซื้อมาไม่มีโรงสักตัวเลยอยากฟังมันบานึ่งบว่าขวเอามาสอนพิขี้ เรากันแบบนี้อย่าห่วงอะไรกันไ ป, ไปเป็โิโทษของบอลอุปจักต่อการมารู้ธรมนะ